ขอความเจริญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประสติาณกำลังนำเสนอเรื่องสมาวาจาสื่อต่อกันมาจนถึงเรื่องผลเรื่องอนิสงของสมาวาจาที่ท่านแสดงไว้ในอัตตกรถาบารมัตาโชติกามาถึงข้อที่ส1บเอ็ด คือท่านแสดงไว้สิบสี่ข้อนะข้อที่สิบเอ็ดท่านบอกว่ามีถ้อยคำอันบุคคลเชื่อถือได้คือเรียกว่าเป็นคนมีพื้นอัตยาศัยที่นิยมชมชอบความตรงไปตรงมาก็ออนิยมสัจจะเพราอเมื่อพูดจาอะไรกับใครไปโดยลำดับ ก็เป็นที่ยอมรับนับถือว่าคนนี้พูดจริงคนนี้พูดจามีหลักมีฐานมีเหตุมีผลควรแก่การเชื่อถือได้แล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งหลายประการต่อไปนั้นเป็นผลที่จะเรียกว่าเป็นกรรมชรูปกลา่าวท่านบอกว่าลิ้นบางแดงอ่อนเหมือนกับกลีบดอกบัวไอ้ลิ้นคนก็แปลกเหมือนกันนะี่ มันไม่เหมือนกันบางทต้องถามหมอว่าทำไมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างลี้ลับแล้วก็วิตกพิสดารมากทีเดียวแม้แต่ว่าพี่น้องฝาวแฝดนะฮะถ้าเราไปตรวจสอบดูให้ดีบ้าก็มีจุดต่างทางทางที่แฝดบางทีก็ไข่ไปเดียวกันเหมือนกันเกือบจะทุกอย่างแต่ก็มีส่วนย่อยเนี่ยแตกต่างกันออกไป ซึ่งหลักการในศาสนาถือว่าเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากกรรมที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้แล้วโดยพื้นอัตยาศัยเนี่ยคือคนเราเราลองดูนะฮะถ้าหากว่ามันพูดแต่คำสัตว์คำจริงคำส่งเสริมสมัคีประสานสมัคกีกระชับสมัคีภัียรไพเราะอ่อนหวานแล้วคำที่มีสาระประโยชน์เนี่ยที่จริงมันพูดง่าย เพราะว่าสุจริตเนี่ยสุแปลว่า ด, ดีแปลว่า ง, งามแปลว่า ง, ง่ายวจีสุจริตก็คือคําพูดที่พูดแล้วก็ดีพูดงามแล้วก็พูดง่ายเพราะว่าตรงไปตรงมาไม่กลัวว่าใครจะจับได้ไลยทันเพราะความจริงไม่เป็นยังไงก็าพิสูจน์อย่างนั้นเราพูดไปตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไงเราก็พูดไปอย่างนั้นที่จริงมันก็พูดง่ายนะครับคำโกหกลองลวงโดยซ้ําไปที่พูดแล้วก็พูดยาก ดังนั้นด้วยผลอนิสง์ของการพูดอยู่ในคำสัตย์คำจริงทำให้เป็นคนที่มีพื้นฐานจิตนี่เข้มแข็งคือจิตใจจะไม่อ่อนไหวไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดสายคือคนที่ไปโกหกหลอกลวงอะไรไว้นะครับมันก็ฟุ้งซ่านสัดสายจิตไม่สงบ แต่ว่าคนที่ดํารงมั่นอยู่ในสัจจะเนี่ยจิตเขาก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดสายไม่เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์ทั้งหลายและการอย่างหนึ่งคือไม่ติดอ่างไม่เป็นบ้าเป็นบ้านี้ก็เป็นผลของการพูดเทศประการหนึ่งนะฮะของวจีทุจริตประการหนึ่ง เราก็พูดติดอ่างแต่ติดอ่างนี้ไม่แน่คือบางทีเราไปล้อเรียนคนอื่นแต่ามาเองบางทีก็ติดเหมือนกันก็ยังนึกถึงสมัยเป็นเนรเนี่ยมันมีพระองค์ท่านพูดติดอ่างเราก็ชอบลอ้อเอ้ะต่อมาเราไม่ไม่เท่าไหร่มันพูดติดอ่างไปด้วยแล้วก็นานๆมันก็จะติดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะ ส่วนมากแล้วก็จะเริ่มด้วยสระอาะที่สั้นๆสร ะ, ะสระอะสระอีสระอุอะไรสั้นๆเนี่ยบางทีกออกเสียงไม่ทันเหมือนกันอันนั้นก็อาจจะเป็นวิบากกรรมอะไรที่เรากระทำเอาไว้นี้ก็เป็นเรื่องของวจีที่สุดจดิตตีนี้ปัญหาว่าที่เราเกณฑ์กำหนดที่เป็นทุจิจดิษนี่เอาขนาดไหน แล้ก็บอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามีเจตจํานงมีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะพูดมันคลาดเคลื่อนโดยผลประโยชน์อะไรก็ไม่รู้มันก็นหลายเรื่องแล้วแต่เราคิดยังไงเรามุ่งหวังประโยชน์ยังไงแล้วก็พูดข้อความนั้นออกไปคนฟังเนี่ยก็ฟังแล้วก็รู้เรื่อง อันนี้ถือว่าเป็นว่าจีทุจริตเพราะงั้นมันบางครั้งเนี่ยเราไม่เจตนาจะกล่าวไ้คลาดเคลื่อนแต่เผลอไปพลาดไปพลั้งไปนะฮะหลงลืมไปซึ่งบางเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องเรื่องการเทศการสอนการบรรยายธรรมานี่เราต้องระมัดระวังอนะ อย่งเขียนหนังสือทีหนึ่งทำหนังสือทีหนึ่งเนี่ยต้องอ่านแล้วอ่านอีกอ่านซ้าอ่านซากอาะไรนะแล้วกลัวมจะผิดคนบางคนเนี่ยพระบางองค์อย่างเจ้คุณทํามบดกเนี่ยเจ้คุณประยุทธ์เนี่ยก็ทำหนังสือละเอียดแล้วออกมาเคยรู้อีกจากอีกท่านหนึ่งคือเจ้าคุณตันสุกิติตันชื่อสุกิติ เป็นชั้นราชอยู่ที่วัดและจักรวรรดิราชวัดเป็นคนละเอียดทํางานในละเอียดตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอี ก, วว อ, กอยู่นั่นแหละคือเรากลัวการพลังพลาดเพราะว่าการสื่อสารแล้วมันเกิดพลาดขึ้นมาทั้งตัวเนี่ยมันไปยาวใหญ่เลยนะแล้วโดยเฉพาะธรรมะเนี่ยต้องราบันระวังมากคือจะต้องไม่เผลอไม่พลังไม่พลาดทีเดียว มันการดํารงสัจจะที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องได้ง่ายทําได้ง่ายแต่ว่ามันเป็นกิจยศชื่อเสียงที่พระเจ้าทรงแสดงว่าสัเจเจติติปปุติบุคคลจะได้เกียรติกับพระชื่อเสียงเออเพราะความสัต์ซึ่งก็แสดงออกมาที่จริงสัจจะเนี่ยแสดงออกมาทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้นะฮะแต่ให้สะท้อนมาจากจิตที่มีความสะอาดพอสมควร เพราะว่าเรื่องวา จ, จานั้นมันยักย้ายถ่ายเทได้คือคนนี่เป็นสัตว์โลกที่จะน่าหน้นานับถือก็น่าหนับถืหน่ากลัวก็น่ากลัวหรือพูดอย่างคิดอย่างทำอย่างได้เนี่ยอย่างที่โลกนิพก็บอกไว้ว่าหมาสมุดสุดลึกล้นคอนนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นซ้ายยากแท้อย่างถึง เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจมนุษย์ได้โดยท่องแท้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องสำรวมระวังที่เรียกว่าสาธุวาจาจะสังวโรการสำรวมรองวาจาเป็นการดีแต่โดยเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยท่านต้องการให้สำรวมระวังทั้งหมดเป็นแนวของศีลไม่หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อน คือแนวของศีนมันจะเปลักษณะอย่างนั้นแนวงดเว้นคือไม่หาเรื่องให้ตัวเองเดืดร้อนถ้าลองสังเกตว่าการแล้วเมื่อศีนระดับศีนห้าเนี่ยที่จริงหาเรื่องตัวเองเดือดร้อนทั้งนั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปหาปัญหาที่ก็บอกว่าหนูหมูวิ่งชนปังตอเองคือเรื่องทั้งหมดมันไกลตัวนะฮะเช่นว่าการฆ่าเขาเนี่ยเขาก็ไกลตัวจากเราเราตามไปฆ่าเขาลักทับเขาทับมังก็อยู่ไกลตัวจากเราเราไปลักเขา ยิ่งล่วงเกินคู่ครองยิ่งเละใหญ่เลยเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายมากแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะคือสัตว์โลกชั้นการมาวจระภูมินี่ปัญหาเรื่องชู้สาวเมื่อไม่สมหวังแล้วก็ฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีทุไวัเลยมันแปลกจริงๆ มันมีทุกวัยอ่ะวัยรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็มีวัยที่แต่งงานกันแล้วก็มีแล้วก็มีผัวมีเมียกันแล้วแล้วไปนอกใจอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ได้สมหวังก็ฆ่าตัวตายเอ๊ะมันก็แปลกมันรุนแรงอะไรกันนักหนาแล้วก็แสดงเห็นว่ากระแสของจิตที่อยู่ในกามาวจรภูมิเนี่ยมันจะมีปัญหาระดับสิทธิ เพรในแนวของสัมมาวาจาสมากัมมันตสมาชิวะจึงเป็นเรื่องของศีลและศิกขาแต่ว่าเป็นปนัญหาระดับสังคมเป็นปนัญหาระดับครอบครัวเป็นปัญหาระระดับเศรษฐกิจการเมืองมันเป็นเป็นเป็นปนัญหาเนี้ยเป็นปนัญหาที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราสังเกตว่าส่วนมากมันก็มาจากเรื่องแบบนี้เข้อต่อไปนั่นคือสัมมากัมมันตะ กรรมตะแล้วก็แปลว่าการงานอ่ะคือรุ่นครูบาจารย์ท่านแปลว่าการงานแต่ถ้าเราดูดิ่งเนี่ยมันน่าเป็นเป็นความประพฤติมากกว่าว่าประพฤติชอบหรือปฏิบัติชอบประพฤติชอบห ร, รือปฏิบัติชอบแต่ว่าท่านแปลว่าทาการงานชอบเราก็เอาอย่างนั้นคือแปรแคลดแยง้งครูบาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ดีนะฮะเป็นเป็นสิทธิ์นอกครูไป บางทีท่านก็ว่าเอาแรงหนะัวร้านนอกครูเพื่อนก็ต้องเข้าใจคือพูดแล้วต้องอธิบายนะเพราะจริงๆมันสื่อสารไม่ได้เหมือนเหมือนกับคาว่าปวดทพะที่เราสื่อสารไม่ได้เนี่ยคือสิ่งที่โรากระทบได้กายเนี่ยสำนวนบาลีเรียกว่าปวดทพะเอาก็จริงไปสื่อสารให้ชาวบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาไม่พูดกันและในที่ในในที่สุดแวดเรียก์เอามาพูดคํามาสัมผัส ซึ่งขั้นตอนของภาษาสัมผัสเองมันก็ช่วงนั้นไม่ได้เรียกว่าสัมผัสแต่มันเป็นอายตนะภายนอกเราก็เรียกว่าผลภะคือสิ่งที่กลายไปกระทบออกมาเป็นเย็นเป็นร้อนเป็นอ่อนเป็นแข็งเป็นยืดเป็นเหนียวเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่บาลีเราเรียกว่าผลภะแล้วก็แปลกแล้วก็สื่อไม่ได้ในภาษาไทยเนราสื่อไม่ได้จนจนจนเดี๋ยวนี้ย่างสื่อกันไม่ค่อได้สมบ สาธุรชนทั่วไปนะฮะแต่ญาติโยมที่ในวัดก็ไม่แน่คือพระเทศเนี่ยเข้าใจว่าโยมฟังเข้าใจแต่โยมเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นคำว่าสมารถกัมมันตะที่แปลว่าการงานชอบนี่จึงต้องอธิบายว่าหมายความว่าอย่างไงที่จริงก็คือสีนสามข้อแรก ต้อฟังลองสังเกตนะฮะเราจะเจอศีลสามข้อแรกแอการมกิเลสสามข้อแรกศีลสามข้อแรกกุศลกัมบทสมข้อแรกอกุศลกัมบทสามข้อแรกนี่เหมือนกันหมดเลยนะสุจริตทุจริตทางกายทางวาจาเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยทางทางกายเนี่เหมือนกันหมด เ, เ, เ, เลยคือเรื่องเดียวกัน <c oughs> เป็นการมองโดยภาพรวม เพราะถ้าเรามองกันจริงๆแล้วนี่ในโลกนี้มันก็คือชีวิตกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตที่ท่านบอกว่าอัตตาอัตตนิยาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องหรือตนหรือเรียกคำคำหนึ่งว่าอาหังการมามังการคือเป็นตัวเราแล้วก็เป็นของเราซึ่งถ้าเรามองตรงนี้พอมาถึงเขาก็คือเขากับของเขาหรือเขาก็เกี่ยวเนื่องด้วยเขา ถามหมดแล้วยังหมดละโลกมันก็มีเพียงท่านนี้เองเพราะในสมากัมมันตะข้อที่หนึ่งก็คืองดเป็นจากปานาติบาตบาลีใช้คัว่าปานาติปาตาเวรมณีนะครับใช้แค่นั้นแปลว่าเจตนางดเว้นจากการกระทำสัตว์มีชีวิตให้ตาย โบราณด้าแปลว่าตกล่วงไปก็ฟังยากอี ก, ก น, นะฮะแล้วคนสมัยนี้จริงมันมีเรื่องเยอะที่เราสื่อสารกันไม่ได้คือมันฟังค่อนข้างยากเด็กๆมันก็ไม่คคยคุ้นภาษาเหล่านี้ยังนึกถึงเมืก่อนไปบรรยายอบรมที่หมหาวิทยาลัมาายมหากรุณาตุลาวิทยาเขตล้านนานะฮะที่วัดเจดีย์หลวง แล้วก็พบพระหนุ่มๆที่นั้นที่วัดพันอ้นมาบุญส่งเป็นพระครูอะไรเลิมชื่อไปก็มีทีมเขานะฮะทีมมากแล้วก็สูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยเคยสนับสนุนเขาแต่ตอนนี้ดอกผลมันน้อยนะฮะก็ไปช่วยก็ไม่ได้เพราะเราเองก็ทาํางานเนี่ยไม่ค่อยได้ตรงนี้ก็ทํางานกับเป็นทีม แล้วก็ น, นักศึกษาเนี่ยคนทางภาคเหนือไม่น่าเชื่อนะฮะจังหวัดเชียงใหม่ เ, เด็กๆใ่สนใจเข้าไข่เข้าไข่ขจริยธรรมสนใจประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลกันมากแล้วเหล่านี้ก็เข้ามาหามาเล่าอะไรให้ฟังเอาภาพเพิ่หมามดูก็ไม่ใครได้ดูหรอกแต่ว่าก็รู้ก็ชื่นชมเขาแล้วก็แนะนำเขาว่า พยายามดูแลเรื่องสองสามเรื่องเนี้ให้ได้ตอนเนี้ยคือไม่ต้องไปเอามากอะไรเท่าไรหรอกคือเรื่องอยาบ้าเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งเลยคือทำยังไงไปอย่าให้เด็กมันติดยาบ้าพอหนุ่มสาวขึ้นมาเนี่ยทํำยังไงอย่าให้ซําสอนทางเพศอย่ยมกมุ่นในต่างเพศแล้วเราเราก็กลัวนะฮะกลัวสื่อจริงจสื่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้ไปเป็นรู้ไม่เป็นเดี๋ยวฟังอ่านหนังสือพิมพ์ที่เขาเล่าเนี่ยเขอบอกว่า มันเป็นดาบสองคมแล้วค่อนข้างจะเป็นอันตรายเพราะว่าใจมันไหลลงต่ำนะมันอยู่ที่การอะไรก็ เ, เรียกคลิกหรื อ, อะไรก็เรอกนะ็ค่อนข้างโกโบราณไปนะฮะเกิดใ้พวกนี้ยังไม่เป็นเลยนีรู้สึกก็ซื้อมาให้สองสามเครื่องนั่นะพิมดีแอ์โอลิมเปเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ย น, นก็ต้องให้ก็ไปหมด ทำไปทมาก็ไม่มีเวลาฝึกที่จะไปใช้ให้มันเป็นซึ่งพวกนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหายาเสพติดและปัญหาต่อไปเนี่ยมันออกมาอีกแนวหนึ่งซึ่งก็น่ากลัวมากนะคะือปัญหาการพ น, นันว่าเด็กตามหาิทาลัยต่างๆที่เรารู้อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดไม่ออก พูดไปมันก็ซ้ําเติมลูกหลานเรื่องการพนันฮะการพนันบอลการพนันมวยการพนันอะไรกีฬาต่างประเทศเนี่ยนั่นไม่ใช่เล่นพนันในเจ้าพ่อเมืองเราแหละไปเล่นการรนันการต่างประเทศเคยนั่งฟังเด็กเขาคุยกันก็คุยเรื่องบอลเรื่องชื่อคนอะไรอะไรก็จําเลยหมดเลยเขารู้เรื่องหมดเลยต่างประเทศนี่ เออถ้ารู้ขนาดกีฬาเนี่ยมันก็แปลกอะแต่ว่าไปเล่นพนันการกีฬากันเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วค่าตัวตายก็เยอะนะฮะเด็กที่ค่าตัวตายแล้วมันมันแรงก็มีคนมาเล่าว่าที่ค่าตัวตายที่จริงไม่ฆ่าจริงฮะถูกบังคับเพราะว่าไปเป็นหนี้พนันบอลแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้บางทีก็ ไม่ใช่ถูกบังคับธรรมดานะไม่ใจ่บังคับไปโดยธรรมดาคือถูกผลักลงไปด้วยแต่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหาไปจับพยานหลักฐานได้ยากแต่ว่าที่คนมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ใช่คราวเดียวแต่ยินได้ฟังมาบ่อยเพรา ะ, ะนั้นก็เลยเรขอท่านสามสามเรื่องขอปัญหาในสามเรื่องเราทายังไงรณรงร์ในเรื่องนี้ให้ได้ให้เด็กมีสํานึกต้องเห็นโทษเองเธอต้องมีวินัยในตัวเธอเอง ถ้าไงั้นไม่มีใครช่วยได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเธอเนี่ยมันกระตุ้นมันกระตุ้นให้เธอสายไปในเรื่องเหล่านั้นอย่างการมองเรื่องเพศก็ไม่ได้มองเหมือนกุลสตรีเมื่อก่อนอยังพอใจคำกรนบทหนึง่ง เคยจําได้ตั้งแต่ตัวนั้นเป็นเนเนนะเป็นเนนเด็กๆคือไปอ่านแล้วมันจําได้จะไปจามาครึ่งท่อนตอนนี้เราก็ยังหาหนังสือนั้นยังไม่เจอตะวันก่อนก็ให้หลานเขาทํางานอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเขาไปหาให้ก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่จริงเขาคัดลอกมาธรรมดาแต่ว่าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยเห็นที่หนังสือสมาธิ เป็นหนังสือพิมพ์แจกงานศพของนายบุญเจริญสุวรรณอัตชาวจังหวัดลำปางแลยวอย่างนึกไม่ออกนะว่าใครเป็นคนเขียนแต่ก็จำได้ว่าหญิงจะ ง, งามก็เพราะความบริสุทธิ์เพศบุรุษจงรักษัก์สงวนแม้เกิดการเกินเลยเชิงเฉยชวนหญิงเสียนวนชายเสียนามไปตามกัน แต่เมื่อเอาคุณค่าเข้ามาเทียบหญิงเสียเปรียบก็พระหญิงหมดปิ้งขวัญชายที่ดีควรจะมีคุนาทันถนอมขวัญสตรีไว้เสียเลยเป็นการสร้างสํานึกของกุลบุตรกุลธิดาของสุภาพบุรุษ ส, สุภาพสตรีที่จะต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์สกุลศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายผู้หญิงอะไรแต่ไรนซึ่งคนไม่คยนึกเนี่ย มันจากมันหายไปในเรื่องเหล่านี้ที่จริงศักดิ์สิ่พวกนี้มันที่จริงมันก็เป็นกิเลสนะเป็นมานะอย่างเด่นแต่มานะมันเป็นกิเลสประเภทละเอียดมานะบางอย่างเลยใช้บวกได้นะฮะเช่นมานะว่าเราเป็นพระมานะว่าเราเป็นนักศึกษามานะว่าเราเป็นกุลบุตรมานะว่าเราเป็นกุลธิดามานะว่าเราเป็นดวจเนี่ย แล้วก็พยายามรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นดําบว์ความเป็นดาหารความเป็นกุลบุตรกุลลธิดาความเป็นพระความเป็นสามเณรเนี่ยอันที่จริงมันก็เกิดอหังการนะฮะแต่รู้สึกว่าเราเป็นพวนี้อาศัยก็ได้อาศัยเป็นสำนึกในการที่จะควบคุมวิถีชีวิตของตนเองให้เดินไปได้ยังมองวิายาบ้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่ง แล้วก็ใหญ่เอามากๆยังนึกถึงวิธีการที่เขาใช้สังคมเนี่ยควบคุมพฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมน่าจะดีกว่าใช้วิธีอื่นคือคุยกันภายในครอบครัวเป็นการตกลงนัดหมายรับผิดชอบเขตพื้นที่คล้ายๆกับเราปาเก้มาปูพื้นเน่นะเรากระเบื้องมาปูพื้นมันก็รับผิดชอบกันตามสัด ส, ส่วนของปาเก้แต่ละอัน สังคมเองไม่ควรจะมีสำนึกอย่างนั้นคือทำอย่างไงว่าเอาลูกเอาหลานมาอบรมแนะนําสั่งสอนตกลงนัดหมายกันว่าหมู่บ้านเราตำบลเราอําเภอเรานะเล่นกันทีละหมู่บ้านก่อนที่จริงมันก็เล่นกันทีละบ้านนะนะทีละครอบครัวก่อนแล้วกระจายออกไปจนเป็นหมู่บ้านแล้วก็รับผิดชอบกันในเขตหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอะไรแต่ไรเป็นหัวหน้าตกลงนัดหมายกัน หมู่บ้านเราจะไม่มีคนที่เสพยาเสพติดชำนาญายาเสพติดผลิตยาเสพติดจะต้องไม่มีทั้งสามประเภทถ้าใครมีในใช้มาติของสังคมคือขัาออกจากหมู่คณะไปแล้วก็แจ้งข่าวให้หมู่คณะอื่นด้วยรู้ด้วยว่าคนเราเนี่ยเป็นคนติดยาเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นคนที่สังคมก็ไม่ต้องการ แนวสมัยโบราณเนี่ยแนวสมัยพุทธศาสนาเขาเรียกว่าพรหมทันแต่พรหมทันเนี่ยมันไม่ถึงแรงขนาดนั้นเป็นเขาเรียกว่าประพาชนีย ก, กรรมคือขับออกจากหมู่ไปแต่พร้อมที่จะให้อภัยนะคือไม่ใช่ขับแล้วก็ออกไปเลยแต่พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมยดทนพร้อมที่จะรอคอยความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของเธอ ปันใดกลับเนือกับตัวได้ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้ก็ค่อยมากันใหม่แต่จับใดที่ยังมีความประพฤติอย่างนั้นอยู่ก็อย่าเข้ามาถ้าเราช่วยกันได้อย่างนี้นึกนึกว่ามันน่าจะได้ทีนี้ปัญหาเรื่องโรคเอดเนี่ยคือวิธีการที่เราสนับสนุนส่งเสริมกันมันแก้ปัญหาไม่ได้อะสนับสนุนเรื่องถุงยางอนาไมยพูดหน้าเฉยตาเฉยจน อบรมแพทย์พยาบาลไปลอบรมไอ้พระโชลนรุงด้วยใอ้พระไปะสาธิตวิธีใช้ทุงยางอ้นามัยด้วยมันไปกันใหญ่มันแก้ปัญหาไม่ได้คือแสดงว่าคนที่รับผิดชอบระดับนี้ก็สํานึกก็ต่ำนะเพราะอะไรเพราะยังเป็นกามิสุมิชาจารย์มันไม่ได้พ้นจากความเป็นกามิสุมิชาจารย์มันต้องพ้นจากกามิสุมิชาจารย์ด้วยนะทั้งฝั่งทั้งหลาย ใตร่มพระโพธิญาณใ น, นวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง่องามไปบูรในธรรมที่มีดท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี